ต้อนดอกบลอซซัมกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอินเดียยังมีพ่อค้าที่ร่ำรวยคนหนึ่งนามว่าอะไรมากกำลังจะแล่นเรือข้ามทะเลเพื่อไปขายผ้าผ้าฝ้ายผ้าขนสัตว์หยกและอั ญ, ญมณีในส่วนต่างๆของยุโรปและเอเชียกลางในสมัยนั้นการเดินทางต้องใช้เวลาหลายเดือนดังนั้นในช่วงเวลาก่อนออกเดินทาง เหล่าเพื่อนๆของพ่อค้าต่างมาที่บ้านของเขาเพื่ออวยพรให้เขาโชคดีในขณะที่งานเลี้ยงดำเนินไปหนึ่งในเพื่อนของพ่อค้าได้ถามเขาขึ้นขณะที่กาลังกัดขนมหวานว่าอะไรมาฮหนอยไปตั้งหลายเดือนนายไม่เคยบอกพวกเราเลยว่านายดูแลบ้านและสมบัติทั้งหมดนี่ยังไงในตอนที่นายไม่อยู่โอ้ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นพี่ชาย จิกมี่เป็นคนดูแลเรื่องนั้นอะไรนะเขางัเหรอจิกมี่เป็นคนดูแลบ้านให้หนายเนี่ยนะใช่แล้วนี่นายจะบ้าไปแล้วเหรออะไรมากจิกมี่เป็นแค่คนเลี้ยงสัตว์จนๆนี่นาจะทิ้งสมบัติทั้งหมดให้เขาดูแลเหรอเราจะเกิดเขาขโ ม, มยแล้วหนีไป นายนี่โงแค่ไหนเกิ น, ก laser, นกที่เชื่อใจคนใช้จนจนมากกว่าคนที่มีสถานะและสมบัติเท่าเทียมกับนายฉันรู้จักจิ้งมีมาหลายปีเขาเป็นคนดีซื่อสัตย์และฉันไม่เคยมองเขาเป็นคนใช้เลยเขาน่ะเป็นเหมือนเพื่อนฉันมีแคุ่นชนันเดียวกัจะเป็นเพื่อนกันได้นะไม่ว่าหนาให้ความสำคั์คนใช้แค่ไหนแต่เขาก็เป็นเพื่อนไม er ่ได้ฉันไม่เห็นด้วยจิ้งมีนะ่ะดูแลฉันอย่างดี อ, อยู่กับฉันเสมอสำหรับฉันเขาเหมือนเพื่อนเขาไม่เห็นด้วยเหรองั้นพวกเราก็ไปหาพระพุทธเจ้ากันบางทีพระพุทธเจ้าจะทำให้เขาเห็นความโง่ของตัวเองเนะดังนั้นเพื่อนของพ่อขาจึงพาเขาไปพบพระพุทธเจ้าที่ซึ่งกำลังนั่งเทศนาอยู่ใต้ต้นไทรพวกเขาเล่าทุกอย่างให้พระพุทธเจ้าฟังบอกเขาทีท่านว่าเขางงแค่ไหนเยสกนใช้ดูแลสมบัติเขาอะ มันโง่มากโดยเฉพาะที่พวกเราเพื่อนของเขาพร้อมจะดูแลทุกอย่างให้เขาตอนที่เขาไม่อยู่พระพุทธเจ้ายิ้มเรียบๆออกมาและเล่าชาดกให้พวกเขาฟังนานมาล้ยังมีราชาคนหนึ่งในเบนาเรสราชารักการทำสวนและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการมีความสุขในสวนที่สวยงามในพระราชวังเขารักดอกไม้ต้นไม้และพุ่มไม้ แต่มีต้นไม้ต้นหนึ่งที่เขารักมากที่สุดต้นบลอซซัมไม่มีใครรู้ว่าต้นไม้นี้อายุกี่รักแต่มันยีงตระงานอยู่กลางสวนในฐานะความศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่มันมีรากอย่างลึกลงไปใต้โลกพวกเขายังพูดอีกว่ากิ่งก้านของมันนั้นแผ่สาขาไปถึงสูงสวรรค์ประชาชนทั่วทั้งเบเนเรสต่างปูงใจกับต้นไม้โบราณนี้ ว่ากันว่ามันอายุมากกว่าพันปีผู้ใดพบเห็นต้นไม้นี้ต่างชื่นชมความสง่างามและขนาดของมันคนที่เห็นต่างตกตะลึงโดยไม่มีใครสังเกตเห็นหญ้ากุศลกระจุกเล็กที่ขึ้นอยู่ ใ, น ใ, นใกล้ๆรากของมันวันหนึกงขณะที่ราชาและราชินีกำลังนั่งจิบชาในห้องโถงพระราชวังจู่ๆก็มีเศษปูนปลาสเตอร์ลนใสาราชา ในปูนปลาสเตอร์นี่ราชามองขึ้นไปและพบรอยแตกบนเพดานราวมาทางเสาที่กำลังพังเห็นได้ชัดเลยว่าเสาานั้นกำลังจะพังถ้ามันไม่ได้ถูกแทนที่เพดานทั้งหมดต้องถล่มลงมาและข่าทุกคนข้างในราชาเห็นถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาเรีบสั่งคนใช้และช่างไม้ ไห้เข้าไปนี้สุนเพื่อค้นหาต้นไม้ที่แข็งแรงพอจะสร้างเสาขนาดใหญ่คนใช้ออกค้นหาไปขั่วสูงและกลับมาบอกข่าวมีต้นไม้แค่ต้นเดียวที่แข็งแรงพอจะทําเสาขนาดนี้ต้นรอดสั่มขอรับโอ้ต้นปอดเขาขาดเหรอนี่เจ้าแน่ใจอย่างนั้นเหรอเนี่ยเราค้นหาต้นไม้ทั่วพระราชวัง แต่ไม่มีต้นไหนแข็งแรงพอนอกจากต้นพระสัาตนนั้นพะยะค่ะราชาเศร้าใจมากที่ต้นไม้อันเป็นที่รักของเขาถูกโค่นลงแต่มันก็ไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆโอ้ฉันจะปล่อยให้ประชาชนที่อยู่ในราชวังเสี่ยงอันตรายไม่ได้ช่วยฉันด้วยนะต้นไม้ที่รักเอาละไปตัดมันเถอะ จิตวิญญาณและต้นบลสอตซัมและต้นไม้และนกอื่นๆต่างสัมผัสได้กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต้นบลอสซัมโบราณต้องถูกโค่นลงเหล่านกต้องหยุดส่งเสียงร้องอากาศนิ่งลงทั่วทั้งสวน เบียกโชคไปด้วยออราแห่งความเศร้าโศกและไร้ชีวิตชีวาตอนนั้นเองจิตวิญญาณของยากุศะได้พูดกับบลอสวันต่อมาช่างตัดไม้มาเพื่อตัดต้นไม้และขณะที่ขวานกำลังจะสับไปที่เปลือกไม้ออรอเดียวดูเหมือนต้นไม้กำลังจะตายแล้วเห็นไหมดูสีของเปลือกไม้สิ ค่อยแล้วตอนนี้กันหนุม่มแล้วตัดมันไม่ได้หรอกมันไม่แข็งแรงพอที่จะสร้างเสาได้นะฉันไม่เข้าใจลรกเมื่อวานต้นไม้นี่ยังดูแข็งแรงสง่างามแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเน่าเปื่อยแล้วมันกาลังจะหลุดเป็นชิ้นๆรูปเยอะบางทีเราไม่ควรจะตัดมันตั้งแต่แรกนะเมื่อคนใช้จากไป เหล่านกก็เริ่มส่งเสียงอีกครั้งสายลมพัดปลิวอย่างงดงามไปชัว่วขีดก้าดเรากับว่ามีใครฉีดยาแห่งความสุขให้กับส่วนนี้ต้นบล็อซซ์ก็กลับมาแข็งแรงและสง่างามขึ้นอีกครั้งต้นไม้ต้นอื่นต่างประหลาดใจเมื่อได้เห็นสิ่งนี้บลอซซ์เนอนี่แข็งแรงดีจริง นายให้ลําต้นของนายดูเน่าเปื่อยได้ยังไงกันนะาอ๋อมันเป็นพรจิตวิญญาณของเปลือกชั้นกุศะเขาพูดกับจิตวิญญาณของกิ่งก่าให้เป็นขึ้นมาบนลําต้นชั้นและเปลี่ยนสีให้เหมือนกับเปลือกไม้เน่าดังนั้นเมื่อคนตัดไม้มาแล้วก็เห็นมันเข่าก็เหมือนกับลํา ต้นของฉันกนะํากำลังจะเน่าเปื่อยไงล่ะแต่นายทำให้ลำต้นของนายดูนุ่มได้ยังไงนะโอ้โหกิงกานะ่ะฉลาดมากอ่ะเขาเรีบคลืนที่ไปเปลือกไม้ที่คนตัดไม้กำลังจะจับดังนั้นแทนที่เขาจะจับโดนเปลือกเขาก็จับโดนตัวหนุ่มของกิงกาและคิดว่ามันเป็นลำต้นที่เน่าเปื่อยของฉัน เยี่ยมไปเลยกุสะเรายอมรับเขาว่าเป็นต้นไม้ที่ยิ่งใหญ่แต่ทำอะไรช่วยเพื่อนของเราไม่ได้เลยมันเป็นเพราะปัญญาของนายแท้ๆที่ช่วยเขาไว้ขอบคุณมากเลยนะและพระพุทธเจ้าก็หยุดเล่าเรื่องมิตรภาพและความไว้วางใจจะ ถ, ถูกมอบให้กับผู้ที่ฉลาดและซื่อสัตย์ปัญญาและความพักดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะของบุคคล เราต้องมองเข้าไปในเนื้อแท้ของตัวบุคคลมากกว่าที่จะมองเพียงลักษณะภายนอกของพวกเขาทั้งในแง่ความร่ำรวยทานะอายุหรืออาชีพเมื่อได้ยินเช่นนี้พ่อค้าก็ยิ้มออกมาเพื่อนของเขาจากพระพุทธเจ้าไปด้วยความถ่อมตัวและท้อแท้ พวกเขาจะไม่ตัดสินคนบนพื้นฐานของเงินตราและฐานะอีกเลยแต่พวกเขาจะมองดูคนจากคุณค่าของพวกเขาและถ้าหากคนนั้นมีความฉลาดและซื่อสัตย์พวกเขาก็จะปฏิบัติต่อพวกเธอหรือเขาด้วยความคารม